ชีวิตลตลเราเข้ามาสู่เรื่องราวของเคสสตดดี้กันเลยจ้า <Yeah. S 2> กว่าจะมาสร้างบารมีได้ของสาวพม่าในตาแขก <Yeah. S 2> เคสสตดดี้ของเรานี่โอเป็นที่ อะไรล่ะเป็นที่นานาชาติสนใจทีเดียวมีหลายชาติทีเดียวก็มีของชาว น, นาเดีย ม, ม โ, คโคมรโ็มอกโกโมร็อกโกจะมีมโมร็อกโกมีสเปนมีอิรักอิหร่านอะไรพวกนั้นอิหร่านก็มีสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตนะอยากศึกษา เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาอยู่ในประเทศก็ไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นความรู้สารคนที่ทุกคนสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมได้วันนี้เป็นของสาวพมา่านะจ๊ะนี่เรามาดูส่งมาเลยเนี่ยเป็นภาษาพมา่าเชื่อกันอ่านในลาย <c oughs> ลมือสวยเห็นไหมจ๊ะ <c oughs> นี่สวย อันเลออ่านบอกนี่ดูเห็นไม่มีเครื่องหมายคำถามเออเครื่องหมายคาถามเนี่ยนี่ไงอแรมไทยเลยดีกว่าในช่วงกันอ่านที่เนี่ยอาจจะเป็นก็สอบเราะเดี๋ลว้แล้วไม่มีคาถามเหรออันนี้ไม่มีคำถามเนี่ย แล้วว่าสบายดีหรือเปล่าครับใกล้เคียงไม่นะลูกเป็นสาวพมา่าเนี่ยลูกยังสงสัยจังว่าลูกเนี่ยอยู่ถึงประเทศพมา่าเนี่ยไกลแสนไกลเดินทางข้ามเขาลงห้วยท่างหลายห้วยหลายเขามาแล้วเนี่ยอยากจะมาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากมาวัดพระธรรมกายจังเลยลูกสงสัยว่าทําไมพู้ที่อยู่ใกล้ใกล้วัดหรืออยู่เมืองไทยจึงไม่มาศึกษานิทานคล่องเลยไหม เนี่ยมันเหมือนกับใกล้เกลือกินด่างนะคะลูกว่าเนี่ยเหมือนกับอะไรทัพพีดับด้วงติดตกลงมาอยู่ในหม้อแกงเนี่ยแช่อยู่กี่วันแล้ไม่ค่อยจะรู้คุณค่าขาพูดศาสนาลูกอยู่ถึงแดนไกลนี่ลูกเด้มาเนี่ยนี่เห็นไห่ครูใบใหญ่ก็อ่านออกอ่านเสร็จแปลเสร็จเรียบร้อยเลยนี่เห็นไหมนี่สาวพ่มาเห็นไหมจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าภาษาอะไรใหม่อีกแล้วนี่ เขาอยู่บ้านเดียวกันบ้านนี้เป็นบ้านสหประชาชาติที่ส่งแคสมานี่แหละลูกมาจากประเทศพม่าเพิ่อมาทำงานในกรุงเทพลูกโชคดีที่ได้ทำงานอยู่กับครอบครัวธรรมกายนี่ความมีโชคดีของเธอในบ้านที่เรียกว่าบ้านมิตรภาพหรือบ้านสหประชาชาติเพราะมีทั้งชาวพม่าลาวไทยอีสาน และเจ้าของบ้านเป็นคนไทยมาอยู่รวมกันด้วยความรักและก็มิรภาพอันอบอุ่นทำให้ลูกมีโอกาสได้ไปวัดพระธรรมกายได้มาร่วมงานบุญใหญ่หลายครั้งโดยเฉพาะได้มาร่วมใส่บาทตอนเช้าเป็นภาพระทับใจที่งดงามมีระเบียบติดอยู่ในใจตลอดเวลาการใส่บาทในวันบุญใหญ่หนึ่งวันลูก มีความรู้สึกว่าได้บุญมากมากมากกว่าคนอื่นทำทั้งปีทุกครั้งลูกก็จะตัอ้งอธิษฐานว่าขอให้ลูกได้มาสร้างบา ร, รมีกับหมูนะ่คณะและครอบครัวนี้ตลอดไปในบ้านของเราส่งเคสต์ ด, ดีมาถึงครูม่ใหญ่ทุกคนเลยค่ะ <c oughs> และเรื่องชีวิตของลูกมีดังนี้ค่ะนี <c oughs> ่เขาทยอยส่งกันมาเลย ตัวลูกเป็นบุตรคนที่ห้าในจำนวนพี่น้องเก้าคนปัจจุบันอายุยางได้ยี่สิบหปีแล้วค่ะครอบครัวลูกเป็นครอบครัวเกษตรกรเป็นกะเลรี่ยงนับถือพุทธสันชาติพ ม, ม่าก่อนลูกจะเกิดคุณแม่ได้ฝันว่าไปถวายพตรตาหารพระที่วัดแห่งหนึ่งเห็นไจ๊ะนี่ใจผูกพันกับ พระตัตนตรยัยแม้จะฝันยังเก็บเอาไปฝันว่าถวายพระเลยหลวงพ่อที่วัดนั้นมอบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งให้แม่แม่บอกว่าที่บ้านมีอยู่หลายคนแล้วเด็กคนนี้จะอยู่ด้วยได้หรือหลวงพ่อท่านก็ตอบว่าอยู่ได้แต่เด็กคนนี้นะ่ะมีโรคเยอะไม่แข็งแรงต้องทำวิธี รถน้ำมนกอนี่ในฝันนะจ๊ะแม่ก็รับน้ำมนต์มารถบนหัวเด็กผู้หญิงคนนั้นหลังจากนั้นแม่ก็ตั้งท้องตัวลูกบมื่อดออกมาสามวันแรกลูกร้องไห้ตลอดเวลาพอวานนี้เคสแจ็กกี้สามวันแรกไม่ร้องเลยพอวันที่สี่ก็ ร้องทั้งคืนเลยแต่กลางวันหลับเพื่อคุณแม่ได้ตรงเลยทั้งกลางคืนร้องทั้งคืนเลยเมื่อคลอดมาสามวันแรกลูกร้องไห้ตลอดเวลาใครถูกตัวไม่ได้เลยเพราะเพราะตามตัวมีแผลผุพองคล้ายโดนความร้อนต้องนอนบนใบตอง ใครใคคิดว่าต้องตายแน่แม่ลองเอาแป้งดินสอพองทาให้ดูหัวอกแม่เห็นไหมเจ๊ะเอาดินสอพองทาปรากฏว่าแผลก็ค่อยๆหายไปภายในสองสามวันเท่านั้นไม่ต้องฉีดยาเลยตัวลูกขาวน่ารักเมื่อวานนี้หัวก็แหลมขนก็ดก ขนหูยาวหน้ากะครลำแต่นี่วันนี้ตัวลูกขาวน่ารักใครใก็เลยเรียกลูกว่านะเคยยีนะเคยยีแปลว่าอะในลองแปลภาษาพม่าดูสินะเค ย, ยีอ้แปลว่าคนสวยตั้งใจเคยเกิด เนี่ยใช่แน่เลยแต่อาจจะเป็นนะเคยมากกว่ามังนี่นะเคยยีแปลว่าคนสวยแต่ลูกว่าตัวลูกยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยลูกมีความรู้สึกไปอย่างนั้นเอาไว้เมื่อไหร่ให้ลูกรวยซะก่อนนะเดี๋ยวลูกจะสวยให้ดูนะเคยยีพายุได้หนึ่งขวบเสร็จ เริ่มหัดพูดก็จะเรียกแม่ว่าโตโซนะโอตอตาไวโทวแหวนโตซึ่งเป็นภาษาของอีกหมู่บ้านหนึ่ง<า>แปล ว, ว่าความอายุนหนึ่งขวบเนี่ยหัดเรียกแม่เนี่ยแต่ใช้ภาษาของอีกหมู่บ้านหนึ่งออซึ่งคนละภาษากันทั้งนติบ้างลูกทุกคนเรียกแม่ว่าเมียเมีย แม่โมซาโลมาม่าไม่เอกโมโม่เขวบเศษเรียกแม่ว่าเต้าเป็นภาษาของอีกหมู่บ้านหนึ่งทั้งๆ ท, ที่ภายในบ้านเรียกแม่ว่าโม้ประมาณสองขวบเศร็จได้ทักทายเรียกชื่อคนแปลกหน้าจากหมู่บ้านอื่นและก็คุยภาษาของหมู่บ้านอื่นได้ถูกด้วยจนวันหนึ่ง ได้พบผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวหมู่บ้านนั้นลูกก็รู้จักเขาซะด้วยทั้งๆท่ไม่เคยเจอกันมาก่อนมาคุยกันไปเขาก็แปลกใจจึงลองเรียกลูกเพราะเอ๊ะทำไมคุยกันรู้เรื่องเด็กสองขวบแล้วมาอีกหมู่บ้านหนึ่งเขาละภาษากันเลยทาไมคุยรู้เรื่องกันก็เลยทดลองเรียกตัวลูกใหม่ชื่อว่า ถวอคุยกันเขาก็แปลกใจจริงรังเขเรียกลูกว่าถูวอเมื่อได้ยินคนํานี้ลูกก็ร้องไห้ทันทีเลย uh. สองขวบเศษร้องไห้เลย uh. ไม่อยากได้ยินชื่อนี้ uh. แล้วก็ป่วยทันทีเพราะว่าคําว่าถูวอนี่คือชื่อลูกของลุงกับป้าที่ตายไปแล้ ว, uh. วที่ตายไปแล้วที่มาคุยนั่นแหละ ต่อมาทางนั้นก็เลยไปพาลุงและป้าสองสามีภรรยาซึ่งเป็นญาติของเขามาดูลูกแล้วก็ชวนคุยจนมั่นใจว่าลูกคือถูว อ, วอมาเกิดใหม่เป็นลูกสองลุงและป้าแล้วก็เป็นหลานของผู้ชายคนนั้นทุกคนมั่นใจว่าลูกคือถูว อ, วอมาเกิดใหม่เพราะลูกสามารถบอกเรื่องในอดีตได้เนื่องจาก ถูวอป่วยอย่าลืมนะพรุ่งนี้จะให้เติมคานะถูกส่งไปรักษาตัวกับหมอผีโดยวิธีทรมานจนขาดใจตายนี่เล่าให้ฟังนะ ล, ลูกเนี่ยสามารถบอกเรื่องในอดีตได้เนื่องจากถูวอป่วยถูกส่งไปรักษาตัวกับหมอผีโดยวิธีทรมานจนขาดใจตา ย, ยเขาขอร้องพ่อแม่ว่าอย่ากจะกลับไปบ้านขอตายที่บ้าน แต่พ่อแม่ก็ทิ้งไว้ให้หมอผีทำการรักษาถูวอซึ่งรักษาโดย ว, วิธีไสยศาสต ร, ร์แล้วทำให้คนไข้าตายมาแล้วไม่ต่มกว่าสาสิบรายรวมทั้งถูว อ, วอด้วย ม, มีเติมไม่ดีนะความทรงจำนี้ทำให้ตัวลูกขณะนั้นแม้อยู่สองขวบก็ฝังใจเกลียดลุงป้าทั้งสองคนมากมเพราะว่า มาหาทีรารลูกจะป่วยทันทีไม่ยอมรับว่าเคยเป็นพ่อแม่กันมา ก, ก่อนแต่ลุง ก, กับป้าก็ยังพยายามมาหาเพื่ออยากให้ลูกยอมเรียกเขาว่าพ่อกับแม่เขาใช้ความพยายามนานถึงสิบปีจะลูกต้องเป็นฝ่ายยอมเรียกเขาแต่ในใจก็ยังเกลียดลุง ก, กับป้าสองคนนี้มากก็ทั้งสอนจะคอยตามใจลูกทุกอย่างแต่ในใจลูกก็ยังรู้สึ ก, กโกรธไม่หาย โหลดเลื่อยเลยเมื่อเูาอายุได้เจ็ดขวบเคยขอแม่บวชชีแต่คุณแม่แม่อุญาตครั้งหนึ่งมปพะชาคนหนึ่งมีครอบครัวแล้วเขาเดินทางไปตามหมู่บ้านคนยากจนเพื่อเอาเงินเพื่อจะนำสิ่งเนี้ยจากหมู่บ้านเนียไปแลกเงินจากรัฐบาล อาสนิษฐานสิเขาเดินทางไปบ้านคนยากจนไปนำอะไรจากหมู่บ้านนั้นเพืจะนำไปแลกกัเงินจากรัฐบาลผู้หญิงดดดเด็กสาวแร ะ, แะไม้ทับทิมเหล็กไหลเขาเดินไปตามหมู่บ้านคนยากจนเพื่อทำการตัดทิศะใครก็ได้ เพื่นำไปแรกเงินจากรัฐบาลโดยมีข้อแม้ว่าคนที่จะถูกตัดหัวต้องยินยอมและห้ามร้องไห้ถ้าเขาหาไม่ได้เขาจะต้องเสียหวงตัวเองแทนให้รัฐบาล oh. ก็ไปทุกหมู่บ้านเลยเนี่ oh. แก็ไม่มีใครมาก็มาแล้วก็มาคุยในบ้านของถูวอนี่แหละถูวอก็ได้ยินลูกก็คิดว่า แล้วใครจะดูแลลูกเมียงเขาถ้าหากว่าเขาไม่ได้หัวใครไปลและเขาจะต้องไปเสียหัวแทนในรัฐบาลลูกจึงอยากได้บุญโดยขอคุณแม่ขอร้องว่าให้เข้ามาตัดหัวลูกเอาไปเลยแต่แม่ยอมไห ม, ไ ม, มไม่ยอมจะแปลกดีนะแปลกมากเลยยอมเสียหัวตัวเพื่อรักษาหัวของคนอื่นเพราะอยากได้บุญนี่เป็นความคิดเจ็ดขวบ ในจำนวนพี่น้องก้าคนลูกเดเรียนสูงที่สุดจนายุย่าง20ปีเลียนสูงจนกระทั่งพ่อแม่ส่งไม่ไหวเพราะว่ามันต้องขึ้นเขาสูงขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกกัดเยอะสงเชิงเขาหนะักข้าไปถึงยอดดอยนู่นลูกจึงต้องมาทํางานที่กรุงเทพต้องเดินทางจากบ้านโดยรถสองแถวผ่านภูเขา32ลูก บนถนนลูกลังซึ่งมีเลนเดียวรถจะวิ่งได้ครั้งละหนึ่งคันบนภูขเขานะไม่สามารถสวนทางหรือหลบได้เลยด้านข้างๆเป็นเหวลึกตลอดทางลูกกลัวมากเลยค่ะคนขับรถจะรู้เวลาการออกรถของทางตรงข้ามคือมันสา3 2ลูกนะคิดดูนะหมายความว่าก็จะต้องรู้เวลากันนัดแนะกันให้ดี ถ้าทรงน้นผิดคิวก็แปลว่าล่วงในกันทั้งคู่เลยหรือต้องถอยหลังกลับเพราะกลับรถไม่ได้คนขับรถจะต้องรู้เวลาการออกรถของทางตรงข้ามถ้าพลาดคือตายหมดเสื้อผ้าตอนนั้นน่มีติดตัวมาชุดเดียวคือชุดติดใส่อยู่และรองเท้าเท่านั้นทุกคนไปจุดหมายเดียวกันคือกรุงเทพโลก ต้องนอนรอที่ชายแดนหลายวันจนกว่ารถจะขนคนมาสมทบได้ตามจานวนที่ต้องการจึงออกเดินทางกว่าจะถึงกรุงเทพลูกต้องแวะพักอีกหลายจุดต่อรถอีกหลายครั้งต้องเดินทางเท้าเข้าป่าข้ามเขาเป็นเวลาหลายแต่หลายวันซึ่งต้องอดหลับอดนอน และไม่มีอาหารตกถึงท้องลูกเลยค oh. ืนเขาเนอะ <Okay. S 1> นี่หลายวันหลายคืนอดนอนด้วยอดอาหารด้วย <Okay. S 1> ลูกก็รู้สึกเหนื่อยและหิวมากๆแต่ลูกก็ยังหวังว่าคงจะมีสักวันนะ <Okay. S 1> ที่ลูกต้องไปถึงกรุงเทพห้ได้ใน mm. ที่สุดล้วก็ได้พาลูกมาลงที่บางบ่อแล้วลูกมีญาติอยู่แถวนั้น <Okay. S 1> ส่วนคนอื่นๆก็แยกย้ายกันไปเข้ากรุงเทพ ลราเดี๋ยวพักอาบน้ำพักผ่อนไม่นานพิชาคนที่สามก็มารับไปพักที่โรงน้ำแข็งถแถวพระประแดงเพื่อรอหางานทำถ้าพูดและฟังภาษาไทยไม่ได้เลยก็จะได้เงินเดือนเดือนละ 1,500 บาทถ้าพูดฟังได้ก็จะได้3 0 0พันบาทรออยู่สองวันก็ได้งานที่บ้านชาวจีนถนนสาธุประดิษฐ์ ลูกอยู่ได้สิบเดือนไม่มีความสุขเลยจึงลาออกไปหางานใหม่ไปพักที่โรงงานน้องชายแทบปากเกรด็ดแล้วก็โชคดีมีเพื่อนโทรมาบอกว่าหลังบ้านที่เขาอยู่ต้องการพี่เลี้ยงสองคนครอบครัวนี้มีกันสามคนมีพ่อแม่และลูกชายวัยสี่ขวบว่าลูกก็เลยตกลงใจมาอยู่ด้วยกัน เมื่อลูกได้เห็นลูกชายเจ้าของบ้านครั้งแรกก็รู้สึกรักและผูกพันลูกได้อยู่กับครอบครัวนี้มาหลายปีแต่ลูกจะเป็นคนขี้น้อยใจและกับฟังภาษาไทยไม่เก่งจริงเข้าใจผิดกันบ่อยๆทำให้ลูกต้องหนีออกจากบ้านนี้หลายครั้งเพราะความที่ฟังภาษาไทยไม่ค่อเข้าใจแต่ไปทีไรก็คิดถึง ต้องโทรกลับมาหาพี่เขาให้ไปไปรับกลับซึ่งพี่เขาก็ไปรับลูกทุกครั้งไม่ว่าจะไ ก, กลแค่ไหนก็ตามลูกนะเพิ่งได้กลับมาอยู่กับครอบครัวนี้เมื่อวันที่10สิงหาคม2 5งหสที่ผ่านมาหลังจากไปไปมามาหลายครั้งมื่ลูกออกจากบ้านนี้ไปทุกครั้งจะคิดถึงคิดถึงทนไม่ไหวเนี่ยต้องกลับมาให้ได้ ช่วงที่ลูกหนีไปเนี่ยนึกคิดถึงนะลูกได้พบเหตุการณ์ที่ทำให้ลูกเสียใจมากคือพิชายวันที่สมลูกได้รับอุบติเหตุนอนไอซีตั้งแต่27กันยายนสองพร้อยสีและก็เสียชีวิตอีกสวันต่อมาเจ้านายพิชายเป็นาภาพสวดศพให้หนึ่งคืนและเจ้านายลูกเป็นาภาพให้อีกหนึ่งคืนจำนานของพิชายคือหนึ่งจำนวนของลูกอีกคืนหนึ่งเผาในวันที่สองตุลาคม2547 แล้วก็มีเหตุอะไรๆายอีกหลายอย่างซึ่งทำให้ลูกนึกถึงบุญว่าบุญของลูกจะหมดจึงทำให้ลูกนึกถึงครอบครัวที่ลูกไปทำงานด้วยเพราะว่ามีเพียงครอบครัวนี้ครอบครัวเดียว <Hey. S 1> ได้มาร่วมบุญป ล, ปล่อยปลาเป็นประจำเมื่อประสบความทุกข์ใจเมื่อใดก็จะคิดถึงครอบครัวนี้แหละ นึกถึงภาพการใส่บาตรพระจำนวนมากๆภาพของวัดกว้างๆสะอาดๆลูกอยากได้บุญจึงติดต่อขอให้พี่เข้ามารับอีกซึ่งพี่เขาก็มารับ <c oughs> ลูกจึงได้กลับมาสร้างบารมีอีกครั้งเด <c oughs> เดียๆรู้ความเป็นจริงของชีวิตผ่านจานดาวธรรมมาร่วมงานบุญทุกๆบุญมีความสุขมาก <c oughs> ลูกอยากจะแบ่งปันความสุขไปยังเพื่อนๆของลูกที่ห่างจากการทาบุญซึ่งมีจานวนเป็นแสนๆคน ซึ่งมักจะรวมตัวกันที่สวนหลวงรอเก้าเป็นประจำลูกใหญ่จะพาพวกเขามาวัดแทนการไปนั่งคุยกันทำง่ายๆนะจ๊ะก็แค่ชวนเข้ามาเท่านั้นแหละเดีย๋ยวลูกก็จะพาเพื่อนๆปพีปป่น้องๆเป็นแสนๆคนนั้นมาเข้าวัดได้มาจอยกันได้จ้ะตอนนี้ลูกอยูุย่าง25ปีแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ขึ้น รักบุญอยากทาบุญปัจจุบันนี้ลูกมาวัดทุกวันอาทิตย์และวันที่มีบุญวิเศษและลูกจะถือศีลแปดทุกวันพระด้วยค่ะเมื่อวันทิตยที่28สิงหาคม2548ขณะลูกกำลังเดินอยู่ในสภาธรรมกายสากลก็มีป้าคนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครของวัดมาชวนลูกไปเป็นอาสาสมัครโดยไม่สนใจเลยว่าลูกพูดไม่ชัด หรือว่าลูกเป็นแรงงานต่างดาวต่างดาวเขาอนุญาตเจ้านายแล้วลูกก็ได้ไปฟังพระอาจารย์เทศสอนแล้วบอกว่าลูกเป็นเจ้าของวัดคำนี้ลูกภูมิใจมากถูวอภูมิใจเหลือเกินลำบากมาตั้งนานอยู่ๆก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่ต่อจากนี้ไปไม่มีใครดูถูกลูกแล้วแหละเพราะเจ้าของบ้านแล้วก็สมาชิกที่บ้านไม่มีใครดูถูกลูกเลย ลูกมีความสุขมากๆในการทำนาทีอาสาสมัครลูกตั้งใจจะทำให้ดีที่สุดเพื่อหลวงพ่อลูกจะเป็นกาลังมิตรพาเพื่อนๆชาวพม่าที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพจำนวนหลายแสนคนมาวัดในปี2550ด้วยค่ะขอให้เจริญเจริญจ้าคำถามลูกทำกรรมใดมาจึงต้งป่วยเป็นแผลผุพองตั้งแต่แรกเกิด และหายด้วยวิธีง่ายๆชจวากนจำคำถามด้วเลยจ๊ะทำไมลูกจึงจำอดีตชาติได้แต่พอโตขึ้นก็ลืมหมดทำไมลูกจะป่วยทุกครั้งที่พูดเรื่องนอดีตจนคุณแม่ไม่ยอมให้พูดถึงลุงป้าสองคนลุงป้าสองคนนี้มีอดีตชาติเกี่ยวพันกับลูกอย่างไร ลูกเคยเกิดเป็นลูกสาวของเขาจริงหรือไม่คะลุงคนที่บอกว่าลูกเนี่ยเป็นลูกสาวของเขามาเกิดได้ละโลกไปแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนมีสภาพเป็นอย่างไรรับบุญได้หรือไม่มีข้อความได้ฝากถึงลูกไหมคะเพราะเหตุใดเขาถึงต้องรักลูกมากดีกับลูกทุกอย่าง แล้วจะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ระหว่างลูกและลุงป้านในภพชาติต่อไปอีกทำไมลูกจึงอยากบวชชีตั้งแต่เด็กและที่ลูกคิดจะให้คนมาตัดหัวลูกไปเป็นเพราะกรรมใดลูกจะมีวิบากกรรมให้ใครมาฆ่าหรือเปล่าคะพิชาคนที่สามที่เสียชีวิตที่กรุงเทพ เขาเสียชีวิตเพราะสาเหตุใดคะใครเป็นคนทำตอนนี้พิชามีสภาพเป็นอย่างไรบ้างคะเด้รับบุญเทิติไปให้หรือไม่มีข้อความใดฝากมาถึงครอบครัวบ้างไหมคะทำไมลูกต้องเดินทางจากบ้านมาด้วยความยากลาบากกว่าจะได้มาพบหมู่คณะนะและเมื่อได้มาพบกับครอบครัวนี้โดยบังเอิญลูก รู้สึกอบอุ่นเหมือนได้อยู่กับพ่อแม่แต่ก็มีปัญหาหลายอย่างทำให้ลูกน้อยใจต้องหนีออกจากบ้านทั้งหมดสามครั้งแต่พี่เขาก็ไปรับลูกกลับมาทุกครั้งลูกเคยร่วมบุญกับครอบครัวนี้อย่างไรมาหรือเปล่าคะการมาไลลูกต้องหนีไปซึ่งทำให้ต้องห่างหมูคณนะ ทำอย่างไรจรึงจะไม่มีอย่างนี้อีกคะไม่มีการหนีกันอีกก็อย่าไปหนีสิจ้ครั้งนี้ลูกกลับมาอยู่กั บ, บครอบครัวนี้ด้วยหัวใจที่ต้องการบุญนึกถึงแต่บุญนึกถึงแต่วัพรธรรมกายแล้วก็เริ่มหัดนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อผ่านจานดาวธรรมผลการปฏิบัติ ของลูกเป็นไปตามใจนึกสบายสบายรู้สึกว่าการนั่งสมาธิเป็นเรื่องง่ายๆและคุ้นเคยมาก่อนเป็นเพราะเหตุใดคะลูกเคยมีผลการปฏิบัติทำในอดีตเป็นอย่างไรครั้งหนึ่งลูกเคยฝันเห็นหลวงปู่วัดปากน้ำเหาะมาบนท้องฟ้าเพื่อมาร่วมงานซึ่งมีคนแต่งชุดขาวๆเต็ไมไปหมด ทุกคนมีเครื่องประดับเต็มตัวแปลว่เปล่าส่วนตัวลูกไม่มีเครื่องประดับอะไรเลยจึงไม่สามารถเข้าร่วมงานได้แต่ก็ดีใจที่เห็นพระสงฆ์เหาะมาลูกม่เคยรู้จักพระองค์นี้มาก่อนมเมื่อตื่นขึ้นมาเห็นปฏิติงของวัดพระธรรมกายมีรูปหลวงปู่อยู่ลูกจำได้ทันทีว่าพระองค์นี้เหาะมาในความฝัน ทำไมลูกจึงฝันเช่นนั้นลูกเคยสร้างบรมีกับหลวงปู่มาในอดีตหรือเปล่าคะทำไมลูกจึงได้มาพบป้าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดมาชักชวนให้ลูกเป็นอาสาสมัครเราเคยร่วมบุญกันมาอย่างไรคะทำไมป้าจึงดีต่อลูกมากคะรวมทั้งพระอาจารย์และทีมงานทุกคนไม่มีใครดูถูกลูกเลยคะ่ะ ลูกมีพเพื่อนชายคนหนึ่งอายุ28ปีรู้จักกันมา10ปีแล้วคะ่ะเขาเคยขอแต่งงานหลายครั้งแต่ลูกก็ปฏิเสธแล้วก็บอกเขาให้ไปหาคนดีๆถูกใจก็แต่งไปเลยไม่ต้องรอแต่เขาก็จะรอจนกว่าลูกจะตอบตกลง ทำไมเขาจึงต้องคิดเช่นนี้คะเรามีบุญกรรมกันมาอย่างไรคะและชาตินี้ลูกควรตัดสินใจอย่างไรดีคะอ้าวอีกแล้วอ้าวอีกแล้วเพราะว่านี้ครอบครัวก็พอแต่งงานกันจะประพฤติพรหมจรรย์อมิตรพระนี่ให้มาพระอีกแล้วดิ คุณพ่อคุณแม่แท้ๆ แ, และพี่น้องเก้าคนในครอบครัวลูกเคยทําบุญร่วมกันมาอย่างไรคะทาไมต้องเกิดในที่ไกลาจากวัดพระธรรมกายคะจะต้องทําอย่างไรให้ทุกคนในครอบครัวได้มาสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะที่วัดพระธรรมกายคะลูกใคยสร้างบารมีกับโมคณะมาบ้างไหมคะลูกขอตามติดติดตามหลวงพ่อและหมูคณะไปทุกพบทุกชาติเจ้าค่ะ หลวงพ่อเมตตาลูกด้วยเถิดนะคะเพราะลูกไม่อยากไปเกิดไกลๆอีกแล้วค่ะลูกจะได้อยู่ทำหน้าที่กัญญาณ น, นมิตรสร้างบา ร, รมีกับครอบครัวธรรมกายนี้ไปได้นานแค่ไหนคะโลกมีวิบากกรรมต้องพลดัดพรากจากบุคคลนัอีกหรือไม่คะจะแก้ไขอย่างไรคะโอ้โหชื่อมีคําว่าหนีสิ ถูวอาชื่อชาตินนอดีชาตินีนชื่อมีคำว่าหนีนำหน้ามีอยู่สองคำเออชื่อนี้แปลกดีอ้อี่ก็อธิบายถึงการเดินทางจากชายแดนเลื่อยมาเลยนี่จําเรื่องอาราวและคําถามได้ไหมจ๊ะ ลับตาฝันเป็นตูเป็นตาเติ่นขึ้นมาลนแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรามปรากันช่าโรกป่วยเป็นแผลผุพองมาตั้งแต่เด็กแต่หายด้วยวิธีการง่ายๆเพราะวจีกรรมในอดีตตอนที่เป็นเด็กได้ไปล้อเลียนเพื่อนในผิวหนังผุพองจนเขาเกิดความอาย อีกทั้งยังกแกล้งเอาหมามุ้ยไปใส่เสื้อเพื่อนเด็กคนนั้น<อ>จนาการเขากำเริบหนักเพราะเกา่าแต่ตอนหลังสำนึกผิดแล้วก็ไปขอโทษเขาจะ้ะกรรมนี้จึงหมดไปแล้วก็หายได้จ้ะตอนเล็กเล็กลูกจำอดีตได้แต่พอโตขึ้นลืมหมดเพราะเป็นการตายปุ๊บก็มาเกิดปับ๊บคือพอตายปั๊บก็เข้าท้องเลย จึงทำให้ไม่มีช่องว่างของการเวลามักขั้นอระหว่างพบทำให้ความทรงจำเก่าๆหรือสัญญาเก่าๆติดมาแล้วก็ทรงจำเรื่องราวได้พอตายพบว่าเกิดทันทีเนี่ยแต่ก็เป็นเพียงช่วงสั้นๆเท่านั้นเองจ้ะเมลูกป่วยตอนเด็กๆมักจะพูดเรื่องอดีต จนคุณแม่ไม่ยอมให้พูดถึงเพราะการป่วยทำให้สัญญาความทรงจำเก่าๆย้อนกลับไม่อีกจนคุณแม่ถือว่าไม่เป็นมงคลจึงไม่ให้พูดถึงอีกเพราะพูดเกี่ยวกับเรื่องการป่วยการตายแม่ไม่อยากได้ยินลุงป้าสองท่านนี้นี่ที่มาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งนั่นแหละก็คืออดีต พ, พ่อแม่ของลูกจริงๆจ้ะ ที่ ต, ตายปุ๊บก็บมาตรงนี้เลยจากถูวอมานี่ที่พอลูกตายปุ๊บจากท่านนั้นก็มาเกิดใหม่ปั๊บเลยโดยไม่ได้วนเวียนอยู่ก่อนจึงจำเรื่องราวในอดีตได้และลูกก็เคอดีลูกสาวของท่านจริงๆ จ, จ้าลุงที่เคยบอกว่าลูกเป็นลูกสาวของท่านมาเกิดตายแล้วก็ไปเป็นบริวารของภุ ม, มเทวาสายวิทยาธร พระใจผูกกับเรื่องเจ้าทรงผีสิงจ้ะตอนนี้มีที่อยู่สมโสมๆเก่าๆแล้วต้องทําตามคําสั่งของวิญญาธรที่เขาใช้ให้ทําอะไรอยู่เพราะไปเป็นบริวารเขาได้รับบุญเทวทิตไปให้ก็ทําให้มีสภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาหน่อยหนึ่งเพราะบุญเทวทิตไปให้ยังไม่มากพอจ้ะท่านเห็นทุกโทษเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ใช่ที่พึ่ง ตีแท้จริงและไม่ได้ช่วยอะไรแล้วตอนเนี้เป็นบริวารเขาเนี่ยท่านจึงเห็นทุกโทษเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ใช่ที่พึ่งที่แท้จริงที่ท่านเป็นมนุษย์ที่ท่านเชื่อถือว่าไม่ใช่ทีพึ่งแล้วก็ช่วยอะไรท่านไม่ได้แถมต้องมาเป็นบริวารกันอีกแต่นั้นตอนนี้ท่านทำการในโลูกทําบุญโดยที่ไปให้ท่านอีกจ้ะลูกก็ต้องทําบุญเยอะๆและอธิษฐานจิตให้ไปเกิดในครอบครวัวจะเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ในตระกูลดีๆ ทีเกินหนนในการสร้างบารมีของลูกในภพชาติต่อไปจ้าแต่ว่าลูกต้องทําบุญเยอะๆนะจ๊ะบ่อยๆอธิษฐานซ้ําๆทําทีเดียวแล้วไปอธิษฐานเนี่ยมันผังมันยังไม่แน่นต้องซ้ําๆๆๆไปเรื่อยๆละอธิษฐานอย่างนี้แหละลูกอยากบวชีตั้งแต่เด็กเพราะในดีเดชาติไกลๆนู้นชาติไกลๆนะไม่ใช่พุทธดาวนที่ผ่านมานะจ๊ะหลายพุทธดาวลูกเคยบวชเนน ต่อมาเป็นพระแล้วแต่หลังก็ลาศิกขาแต่พละดพลากจากมูคณะมานานบทเป็นเน้นต่อมาบทพระและกะ็ลาศิกขาแต่พละดพราดจากมูคณะมานานการพลาดพลาดจากมูคณะทาให้ไปประสบทุกจนชาติหลังๆเข็ดในทุกของกา ร, รค <lux? S 1> ลองเรือนชาติหลังๆนะลูกนะเข็ดในทุกของการคลองเรือน จึงตั้งความปรารถนาว่าชาติต่อไปไม่เอาอีกแล้วไม่เอาแล้วชีวิตการครองเรือนอยากจะบวชมากๆสัญญาในใจนี้มันติดมันในใจจึงทำให้คิดอยากจะบวชชีอย่างนั้นจ้าที่ลูกคิดอยากให้คนมาตัดหัวลูกไปเพราะชาติหลังๆที่พัดพลากจะมู่คณะนะ่ะมีอยชาติหนึ่งได้ไปสร้างกรรม ตัดคอแพะ <Good. S 1> พือเอามาปรุงอาหารกรรมนั้นมันมาได้ช่องนะ่จริงบันดานให้ลูกคิดอย่างนั้นแต่บนน่ะหล่อเลี้ยงเอาไว้ oh. กับปัจจุบันเนี่ย oh. มันเป็นแค่เศษกรรมแล้ว oh. จริงไม่มีโอกาสให้เขาตัดหัวลูกก็ไม่สมหวังตอนนี้แหละ <laughs> พี่ชายคนที่สามที่เสียชีวิตที่กรุงเทพเพราะฟังรู้เรื่องรึเปล่าเนี่ยพอบอกฟังภาษาไทยไม่ค่อยออก เดี๋ยวก็จะน้อยใจแกพิชากันทิสานทิเสจิวิติกรเทพเพราะวิบากรรมทั้งในอดีตและปัจจุบันเคยฆ่าสัตว์และล่าสัตว์ธรอาหารมาส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุตายแล้วก็วลเวียนอยู่ระยะหนึ่งจึงไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจ้ะยังรับบุญไม่ได้และไม่มีข้อความใดๆฝากมาจ้ลูกนะกว่าจะได้มาพบหมู่คณะ ต้องเดินทางมาด้วยความยากลำบากเพราะในอดีตได้ทำทานมาน้อยและก็มีทิฐิมานะมากตั้งแต่ในชาติที่บวชเป็นเนและพระกับหมู่คณะในชาตินั้นและก็ได้ดื้อกับพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงและก็ห น, นีศึกออกไปความดื้อจึงทำให้ไปเกิดในถิ่นทุรกันดารทำทานมาน้อยก็ทำให้ยากลำบากจ้ะ ลูกเมื่อมาพบกับครอบครัวผู้มีบุญโดยบังเอิญก็รู้สึกอบอุ่นใจเหมือนได้อยู่กับพ่อแม่แต่มีปัญหาหลายอย่างที่ทำให้ลูกรู้สึกน้อยใจและต้องเนี้จากบ้านหลังนี้ไปถึงสมครั้งแต่พี่เขาก็ไปรับลูกกลับมาทุกครั้งและทุกครั้งลูกจากไปก็คิดถึงพระในอดีตในสมัยชาติที่บวชเป็นเนเมพระ กับโมณะและลาสิกขาบทออกมานั่นนหะลูกเนี่ยได้เคยเป็นลูกชายของครอบครัวผู้มีบุญนี้แล้วเมื่อลาสิกขาออกมาแล้วก็มาอยู่ที่บ้านก็มักจะถูกตำหนิบ่อยๆสื่อความไม่อะไรต่างๆทำแล้วก็ไปถูกถูกตำนนิบ่อยๆจึงทำให้เกิดความน้อยใจพอน้อยใจก็หนีไป หนีไปแล้วก็กลับมาหนีหนีกักลับอย่างเนี้หลายรอบจึงทําให้ผังนี้ติดตัวมาชาตินี้ก็หนีหนีกักลับเหมือนกันเลยจ้ะมันติดตัวมาลูกตรงเนี้ยจากครอบครัวนี้ไปทําให้ห่างหมู่คณะเพราะผังเก่าดังกล่าวจึงทําให้หลุดออกไปจากหมู่คณะในชาติต่อมาแล้วทําให้ชีวิตลําบากสะบักสะบอมมากกว่าจะมาเจอหมู่คณะอีกจ้ะ เอาอีกไหมลูกไปสะบักสะบอมอีกเดี๋ยวฟังออกหรือเปล่าลูกอ๋อเดียวก็จะน้อยใจไปอีกเนี่ยนนลูกกลับไปโยกครอบครัวผู้มีบุญอีกครั้งด้วยความต้องการบุญนึกถึงบุญนึกถึงวัดพระธรรมกายและหัดนั่งสมาธิรู้สึกว่าการนั่งสมาธิไม่ยากสําหรับลูกและรู้สึกคุ้นเคยมาก่อนเพราะ บุญเก่าที่เคยสร้างกหมู่คณะมาเช่นเคยบวชเป็นเนยเป็นพระในชาตินั้นนั่นกล่าวมาส่งผลทำให้ได้คิดและเข็ดกับชีวิตในสังสารวัตรผลการปฏิบัติทำแน่ดีของลูกในสมัยเป็นสมณเณรก็เคยเห็นดวงธรรมและองค์พระใสใสแต่ยังไม่มั่นคงจะ้ะเรามีความคุ้นกับดวงธรรมกับองค์พระใสะสยอย่างนี้ในชาตินั้นชาตินี้จึงมีความรู้สึกกัรนั่งสมาธิไม่ยาก รู้สึกคุ้นเคยมาก่อนลูกเคยฝันเห็นพระเด็จคุณหลวงปู่ห อ, อมาในท้องฟ้าทั้งๆ ท, ที่ไม่รู้จักท่านกระลั่งมาเห็นรูปท่านในปฏิทินของพระธรรมกายพระลูกได้เคยสร้างบารมีในสาวิชาธรรมกายของพระเด็จพคุณหลวงปู่มาในอดีตบันดาลให้ฝันไปอย่างนั้นเพื่อจะได้จูงให้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะอีกจ้าคุณป้าสมัยเจ้านที่วัดได้ชวนลูก ให้มาเป็นอาสาสมัครของวัดลูกกับท่านเคยสร้างบา ร, รมีกับโมนณะม า, มาโดยท่านและพระอาจารย์และทีมงานทุกคนได้เคยเป็นกัลยาณมิตรให้กับลูกในชาติที่ลูกเป็นในและพระแต่ลูกเป็นคนมีนิสัยดื้อและน้อยใจเกง่งบุญเก่าที่เคยทําร่วมกันมาจึงทําให้บรนดาลให้มาเจอกันและก็มาสร้างบุญร่วมกันอีกจ้า ลูกมีเพื่อนชายคนหนึ่งอายุ20ปีรู้จักกันมาสิบปีเขาขอลูกแต่งงานแต่ลูกปฏิเสธและขอยห้าไปหาคนที่ดีกว่าลูกที่กำลังรอเขาอยู่แต่งงานไปก่อนแต่เขาก็ยังรอลูกอยู่เพราะเคยเป็นคู่ผ่านกันมาจา้ะแล้วก็ไม่ได้มีความสุขจากการครองเลือนเลยดังที่ลูกเคยเข็ดแล้วเข็ดเล่าเฝ้าจะเข็ดนั่นแหละจึงอธิษฐานว่า แต่ไปจะได้คลองเรือเลยนั่นแหละตั้งนั้นเนี่ยอย่าถอยหลังกลับไปเลยลูกให้เดินหน้าสามบุญมีต่อไปเพราะชีวิตมนุษย์สั้นนิดเดียวเดี๋ยวก็แก่เจ็บแล้วก็ตายแล้วจ้ะคุณพ่อคุณแม่แท้ๆ แ, และพี่น้องก้าคนรวมทั้งตัวลูกได้มีบุญกรรมใกล้เคียงกันคล้ายๆกันจะมาเกิดร่วมกันคือดืด้อมีมรณทิฏฐิคล้ายๆกันแต่ไม่ได้ทากรรมมาด้วยกัน ต่างคนต่างทำแล้วก็มีกรรมคล้ายกันก็ดึงดูดมาเกิดมาอยู่ร่วมกันที่เกิดกายจากพระพธมรมกายเพราะมีทานมาน้อยกับดื้อ ม, มากๆมีทิฏฐิมณะสูงจัดใครดื้อมั้งจึงไม่เกิดต่ถาวรนั้นแบบนั้นละจ้าให้ลูกตั้งใจสร้างบารมีให้ดีแล้วติทานจิตใ้ครอบครัวได้มีโอกาสมาสร้างบุญกับหมูคห่คณะอย่างนี้ไปก่อนจ้า ไปเกิดที่ไกลไกันดาเ น, น่ยเพราะอะไรนะจ๊ะทิฏฐิมานะดือ้อขับทานนอนอ่าลำบากจะเขินเพราะททาลูกเคยสร้างอะไรเมือม่อมกขนะมาดังที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมดแลยจ้าถ้าลูกไม่อยากไปเกิดที่กันดานและไกลาจากมุมขนะ<ๆ>ก็อย่าเป็นคนดือ้อย่ามีมานะทิฏฐิจัดให้พยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีไม่เป็นคนขี้น้อยใจให้เป็นคนว่างง่ายทําความดีง่ายเป็นต้นจ้า ถ้าลูาเป็นคนเก่งและดีเมื่อขีนน้อยใจก็จะได้สร้างบารมีกับครอบครัวธรรมกายนี้ไปได้นานจ้าชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญและติฐานจิตตามติปิฎสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตย์่าได้พลัดกันเลยจ้านีา่ก็เป็นเรื่องราวขคสตัดดีสั้นๆเจ้